แลพุทธเจ้าจะต ร, รัตถารุหรือไม่ต ร, รัสถารความเป็นศีลความเป็นธรรมนี่มันมีในโลกแต่แต่ไหนแต่ไรมาแล้วแลวพุทธเจ้ามาต ร, ารัสถารุก็นําความเป็นธรรม <c oughs> ที่มันมีอยู่แล้วนะมาสอน แผนผังชีวิตของความเป็นมนุษย์แผนผังความเป็นอยู่ของโลกมุ่งอะไรกมุ่งความสงบสุขเมืองมุ่งความสุขความเจริญ ฉะนั้นแนวทางที่จะถึงความสุขความเจริญของมนุษย์ทุกชาติชนวรรณะ <c oughs> แม้โลกทั้งโลกก็ตามพระพุทธเจ้ารู้เหตุรู้ผล เหตุผลที่เป็นไปเพื่อความสงบสุขเหตุผลที่เป็นไปเพื่อความสุขความกิริญถ้าพูดถึงว่าความเป็นอยู่ในโลกก็มีเหตุมีผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เหตุเป็นอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ผลฝ่ายชั่วก็ดีผนผลฝ่ายดีก็ดีมันมีเหตุมันเกิดจากเหตุทั้งนั้นพูดถึงว่าตามยุคตามสมัย <c oughs> ความเจริญความเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในมวลหมู่มนุษย์นี่แหละ ถ้ามวลหมู่มนุษย์ที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นมากขึ้นจนวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น <c oughs> มันเป็นกฎธรรมชาติเองของมันขาดความเป็นธรรมไปแบบธรรมชาติเองของมันขาดความเป็นศิลปเป็นธรรมขาดคุคณธรรมทิ้งคุณธรรมทิ้ง ความเป็นศีลเป็นธรรมแบบธรรมชาติของมันอันนั้นคือขาดความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ขาดความเสีเยเจือจานขาดความเห็นอกเห็นใจขาดความเมตตากรุณาต่อกัน <c oughs> โลกมันจึงลบลาค่าฝันกันขึ้น ภัยพิบัติมันจึงเกิดขึ้นเพราะน้ำมือของมนุษย์ที่ไปทำลายธรรมชาติกระเพาะใสความโลภความโกรธ ค, ความหลงอาศัยตัณหานั่นล่ะเป็นมูลเหตุเป็นต้นเหตุเต็มที่แล้วผลของกิเลสตัณหาที่มนุษย์สร้างขึ้นทำลายล้างโลกยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง ก็เริ่มต้นขึ้นมาใหม่แล้วที่นี้ที่มนุษย์ตายยังไม่หมดช่วงระยะ น, นั้นจะเห็นได้ <c oughs> ถ้ามนุษย์มีความเป็นอยู่น้อยก็เหมือนอย่างพวกเราอยู่ด้วยกันเนะ จะเกิดความเความเป็นธรรมชาติเกิดความพึ่งพิงพึ่งพากันขึ้นเกิดความรักเกิดความสงสารไว้เนื้อเชื่อใจกันขึ้นที่ความเป็นความเป็นธรรมชาติที่มันมีในดวงจิตดวงใจของมนุษย์คนเรานั่นนะ มันมาจากอะไรก็ไม่ได้ไปจากอื่นจากไกาลละก็คือความโลภความโกรธความหลงตัณหาในหัวใจของมนุษย์สัตว์ความเป็นปุถุชนเนี่ยมันรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นจนยับยั้งไม่อยู่พูดก็ไม่รู้เรื่องมันกระหัดประหัดประหารกันไปทําร้ายกันไปจน แตกหักไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ามา้เหตุตรงนี้แล้วโ <c oughs> <c oughs> พออง์สอนสอนความเป็นธรรมเป็นเครื่องยับยัง้งสอนความเป็นศีลเป็นเครื่องยับยัง้ง ในขณะเดียวกันนอกจากยับยั้งแล้วก็ให้ข่มมันไว้จัดระบบให้มันจัดระเบียบให้มันจัดขอบเขตให้มัน เพราะกฎธรรมชาติที่ใช้เป็นประโยชน์ในโลกอันนี้มันต้องมีกฎมีเจนมีขอบมีเฉตมีระบบมีระเบียบของมันเราจะใส่ไฟต้องจัดระบบจัดอืมระเบียบจัดระบบพยมันน้ําเหมือนกันลมเหมือนกัน <c oughs> มันต้องมีขอบมีเฉตใช้พอเหมาะพอดีมันจึงมีประโยชน์เกิดประโยชน์ขึ้นฉะนั้นกฎเจนวางเพื่อเป็นการจัดระบบระเบียบอันนี้พระพุทธเจ้า <c oughs> จึงได้วางเอาไว้ว่าศีลขอบเฉตเพื่อจัดระบบจัดระเบียบให้มัน ศิลธรรมศิลธรรมคำว่าศิลคํานี่ <c oughs> ท่านก็นมาแยกเป็นประเภทสอนให้เข้าใจลักษณะอาวัยมีศิลและก็มีมีวินยัยมีระเบียบมีวินยัย วางเป็นพื้นวางเป็นฐานเป็นแนวทางปฏิบัติดุศินจึงแปลเป็นภาคปฏิบัติตามทีกขาบทต่างๆ ต, ตามกฎตามเจนต่างๆนั้นก็มีระเบียบวินยัยหรือวินัยระเบียบระเบียบวินัยคือขอบเขตระบบ จัดเรื่องกิเลส จ, จัดเรื่องตัณหานี่ไม่ให้รุนแรงถ้ามันฝ่าฝืนแบบรุนแรงก็เหมือนเรือระบบแล้ว ร, ระบบของไฟนี่ถ้ามันมาไม่ตามระบบใช้ไม่ตามระบบมันจะเกิดเป็นเพลิงน้ำเหมือนกันลมเหมือนกัน <c oughs> นี่คือกฎธรรมชาติของมัน ย้อนยุคหลังๆสักหน่อยห้าสิบปีหกสิบปีหรือร้อยปีช่วงระยะหลังๆนี่ความเป็นระบบความเป็นระเบียบที่จัดว่าเป็นวัฒนธรรมหรือคุณธรรมนี่มีมาก <c oughs> มีมากกับบุคคลมีมากกับสังคมมีมากกับหมูคณะ การใดยุคใดสมัยใดการใดเวลาใดท่ามีกฎมีระเบียบการนั้นยุคนั้นสมัยนั้นเรียกว่าคุณธรรมเจริญคุณธรรมมีมากคุณธรรมมีมากภายในจิตใจให้เกิดความสำนึกเห็นได้ชัดอยู่สองอย่าง <c oughs> หนง ละอายความไม่ดีละอายความชั่วสองกลัวความชั่วกลัวทุกข์กลัวายา ก, กาลัวลาบากากากรรมกลัวขรหานินทาไปทำความชั่วไปกลัวต่อสิ่งที่จะมันเกิดทุกข์เกิดโทษอ น, นั้น ล่าาต่อความชั่วนั้นล่าาต่อความไม่ดีไม่งาม น, นั้นฉะนั้นกฎและเบียบส่วนนี้จึงเป็นความเป็นธรรมชาติสำหรับ <c oughs> เป็นการปูพื้นฐานจิตใจของมวลหมู่มนุษย์ัตว์ทั้งหลายหนึง่ง ที่เกิดมาเป็นคุณธรรมให้กลายเป็นคุณธรรมยุคใดสมัยใดมีความรู้สึกอันนี้ยุคนั้นสมัยนั้นมีความสงบสุขเพราะเรื่องระเบียบเรื่องวินัยนี่อาศัยภาคปฏิบัติมันจึงจะเป็นระเบียบเป็นวินยัย ตั้งแต่ก่อนคําว่าระเบียบต้องถือกันจริงๆจั ง, จงแระเบียบกิริยาคือการบังคับถ้าไม่บังคับไม่ลงโทษไม่บังคับและไม่เป็นระเบียบไม่เป็นวินยัยถ้าไม่ทําตามก็ไม่เป็นระเบียบไม่เป็นวินยัยอีกดังนั้นวินัยคือการบังคับระเบียบคือการทําตาม เราจะเห็นได้ว่าลูกหลานสมัยก่อนพ่อแม่บอกพ่อแม่สอนพ่อแม่ชี้แนะบอกอยู่อยู่บอกไปไปบอกทำทำบอกเลิกเลิกพ่อสร้างสรรความเป็นระเบียบความเป็นวินัยฝึกเป็นนิสัยสอนสิ่งที่ควรกลัวลูกกลัวสอนสิ่งที่ควร น่าละอายลูกลายสมัยก่อนฉะ <c oughs> นั้นสิ่งเหล่านี้กะระวนแล้วแต่เป็นหลักกฎเกณฑ์เหตุผลที่มันเป็นธรรมชาติพระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้สอนเอาไว้ให้มวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้นำมาฝึกสร้างสรรนิสัยให้ อยู่ในขอบเขตเป็นไปเพื่อความสงบสุขในขณะเดียวกันมันก็ควบคุมระงับกิเลสตัณหานั่นละ <c oughs> เรื่องมัน่นแต่มากขึ้นมากขึ้นยุคนี้สมัยนี้ก็ว่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นส่วนบุคคลส่วนแนวชิตแนวธรรมต่างๆนี่ มันมากขึ้นทางการเสริมความหลงเสริมเรื่องจิเลสเสริมเรื่องตันหาเยืดถือความเป็นอิสระมาสอนกันเสรีภาพมาสอนกันสิทธิมาสอนกันยุคใดสมัยใดท่า เอาอิสระมาสอนตีความหมายไม่ถูกสิทธิมาสอนกันตีความหมายไม่ถูกเสรีภาพมาสอนกันและตีความหมายไม่ถูกยุคนั้นสมัยนั้นจะเดือดร้อนมากเพราะตามความทำตามความพอใจในสิ่งที่อยากจะทำสิ่งที่อยากจะทำมันหิวมันหอยอยู่ตลอด ในจิตใจมันจะมีอะไรเอนอกจากกิเลส ก, กัตันหาตัณหาความอยากตัาหาความต้องการอยู่ตลอดเวลาการมตัณหาอารมณ์เพศต้องการอยู่ตลอดเวลาความเป็นหมูเ่เป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ถ้าไปเสริมตามอิสระตามความพอใจแล้วสิทธิ์เทีย่ยงต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อิสระของฉันต้องการอย่างนี้อย่างนี้เสรีภาพของฉันต้องการอย่างนี้อย่างนี้ทําอย่างนี้ไปอย่างนี้ดูจะนีน่นะมันดูได้เมื่อไหร่มาผสมผสานกับความโลภเขา้ามาผสมผสานกับความหลงเขา้า อันนี้ตังหาก <c oughs> เรียกว่าใช้สิทธิเสรีภาพอิสระไม่ถูกทางใช้แล้วก็มีแต่โทษใช้แล้วก็มีแต่สิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้ตนและบุคคลอื่นยุคนี้สมัยนี้เห็นได้ชัดแล้วจึงหาขอบหาเฉตไม่ได้ในชีวิตความเป็นอยู่ ล้วนแล้วแต่เพศภัยของกิเลสตัณหาทั้งนั้นเกินขอบเขตจะกลายเป็นเผิงลาคคีโททักคีโมคคีมันเป็นไฟมันเป็นเผิงเผาคิดอะไรขึ้นมาต้องการอยากอะไรขึ้นมาต้องเอาให้ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ ไม่มีคุณธรรมเปนเครื่องหักข้ามไม่มีความอดความทนเป็นเครื่องหักข้ามขอยตามความอยากความอยากเรียกร้องขึ้นมาแล้วต้องเอาให้ได้อย่างนี้อย่างนี้นไปให้ได้อย่างนี้อย่างนี้ก็ใช้สิทธิที่สร้างสรรค์ขึ้นนั่นล่ละอิสระที่สร้างสรรค์ขึ้นนั่นแ่ละ ท, ทั้งทั่านรู้ว่าไปทำอย่างนี้แล้วมันผิด ไปอย่างนี้มันไม่ถูกเอาอย่างนี้มันผิดเอาอย่างนี้ไม่ถูกจะกระฝืนกันนี่ความคิดความเห็นอย่างนี้ <c oughs> ใช้อิสระใช้เสรีภาพใช้สิทธิในทางที่ผิดใช้แล้วมันก็ผิดใช้มากผิดมากใช้น้อยผิดน้อยใช้ทั้งวันผิดทั้งวันด้วย แ ล, แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยหาทางออกแบบผิดๆใช้คำพูดแบบผิดๆประเภทที่พูดในหลักเกณฑ์หลักการของศีลธรรมนี่ไม่เข uh ้าใจความหมายของศีลธรรมว่ายุคนี้สมัยนี้ศีลธรรมเสื่อมปาท้อคำนี้ ศิลธรรมเสือเ่อมมันจึงเป็นอย่างนี้ทั้งๆผู้มีหน้าที่ผู้มีอํานาจนั้ น, นว่าคําพูดคํานี้พูดแล้วน่าสะลดสังเวชว่ายุคนี้สมัยนี้ศิลธรรมเสื่อมเด็กวัยลูกวัยหลานมั่วสมกันในทางที่เพด วัยฐานะมีครอบครัวกำลังสร้างความเจริญในครอบครัวทำให้ครอบครัวทะเลาะวิวาทแตกแยกอะไรทนองนี่เป็นกระดาษดด่นทั่วบ้านทั่วเมืองกะหาว่ายุคนี้สมัยนี้ศิลธรรมเสื่อมแล้วผู้เข้าใจความหมายของศิลธรรมเมื่อได้ยินได้ฟังคำนี้แล้วอะหลุดสังเวชจริงๆ <c oughs> ไม่เข้าใจความหมายนำมาพูดเมื่อผู้มีอำนาจผู้มีหน้าที่พูดอย่างนี้ออกมาแล้วจะให้โลกนี้พึ่งพิงพึ่ ง, พ, ง, พ, งพาอะไรออกหาทางออกจากความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยวิธีการใดถ้ามองทางทำแล้วไม่มีทาง ไม่มีทางเยื่อทางสร้างโลกให้มีความสงบสุขนอกเหนือจากเอาระบบของศีลและธรรมนี่เป็นแนวชิดเป็นแนวธรรมศีลธรรมมันจะเสื่อมได้ยังไงความจริงศีลธรรมไม่ได้เสื่อมศีลธรรมนี่มัน <c oughs> เป็นเหตุเป็นผล ถ้าจะลูบเปียว่าความเป ร, เริฐที่มันล้ำคาดล้ำสมัยอยู่เหมือนเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งมีคุณค่ามีประโยชน์ทันการทันเวลาทุกการทุกสมัยมเมื่อได้ลชสมัยไปที่ไหนส่วนมากที่เข้าใจก็ว่าเสื่อมเสื่อมคำนั้น ดูเสิว่าถ้าเผื่อมันเสื่อมมันก็น่าจะเป็นหมายทั้งว่าสิ่งที่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่หรื อ, อย่างเบตเตอร์เล่มันเสื่อมจะว่า้ทําไมทานมันเสื่อมจะว่า้ทําไมเหลือยยกยาเภสัตว์มันเสื่อมจะว่า้ทําไม มันจะใช้ได้ยังไงฉะนั้นสิ่งที่ถูกคำว่าเสื่อมนะมันหมดคุณค่าหมดคุณภาพแล้วจะเจ็บไว้จะไม่ใช้นอกจากมันไม่มีประโยชน์แล้วมันให้กลับให้เป็นโทษซ้ำ ไอคนที่มาพูดมาสินทำเสื่อมไอคนนี้มันไม่เข้าใจความหมายมันใครจะมาจะอยากมาจะอยากมารักษาปฏิบัติเรื่องสินเรื่องธรรมเขาบอกมันเสื่อมแล้วคือเหมือนยุกยาเครื่องใช้ของสอยของเราแล้วอันไหนมันหมดคุณภาพไหนมันเสื่อมแล้วจะเก็บไว้ใช้ทําไม อันนี้โมหะความหลงคำที่ไม่เข้าใจเรื่องระบบของศีลธรรมมิหนำซ้ำก็ว่าผู้มีศีลมีธรรมครือล่าสมัยศาตนาครือล่าสมัยปะท้วงผู้จะมีพูดออกมาได้ <c oughs> แต่แสดงว่าไม่เข้าใจความหมายของศีลธรรมไม่เห็นคุณค่าทางศีลธรรมสักนิด แท้ที่จริงศีลและธรรม <c oughs> เป็นสิ่งที่ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์คนเรานี่จะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เอาทีเดียวถ้าจะ รูปเปียบเหมือนแบบแปนแผนผังก็เป็นแผนผังของชีวิตที่เป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อความสงบสุขหรือจะรูปเปียบเหมือนเครื่องใช้ของสอยชีวิตอาศัยอยู่ที่จะขาดไม่ได้ ดินน้ำลมไฟแสงสว่างอากาศความร้อนความเย็นนี่ <c oughs> มันเป็นเรื่องจำเป็นกับชีวิตชีวิตจะขาดไม่ได้วินัยเป็นเครื่องบ่งบอกถึงเหตุการณ์ความดีความชั่วความผิดความถูกฉะนั้นจึงว่าวินัยจึงเปรียบเหมือนแบบ แผนแผนผังสิ่งใดที่เป็นเหตุเป็นไปเพื่อความดีเป็นไปเพื่อเกิดความสุขความเจริญอันนั้นละว่นระเบียบของศีลธรรมอันใดเป็นไปเพื่อเหตุให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความเสื่อมเสียอันนั้นเป็นแนวทางของอากุศลไม่ใช่ศีลไม่ใช่ธรรม มันเป็นอธรรมฉะนั้นชีวิตของมนุษย์ที่จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญจริงๆแล้วก็ศีลและธรรมนี่เป็นแบบแปบบนแผนผังของชีวิตฉะนั้นจะขาดไม่ได้แล้วพวกเรานำมาใช้ที่นี่นำมาใช้ประจำออในกายในตัวของเรา ท่านสอนว่าศีล <c oughs> ธรรมทั้งหลายทั้งปวงหมดที่พระพุทธเจ้าเทศนาธรรมไว้แปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์นั้นรวมลงมาแล้วก็คือรูปพระธรรมนามพระธรรมรูปพระธรรมคือตัวของเรา ที่มองเป็นเห็นเป็นรูปเป็นร่างนี่เรียกรูปพระธรรมนามธรรมได้แจ่ดวงจิตดวงใจของเราทำส่วนนี้ดวงจิตดวงใจของเราเป็นธาตรู้ <c oughs> ความรู้อันนี้ ใช้ส่วนที่เป็นสมบัติที่มีอยู่ในรูปร่างเรามีสมบัติความสมบูรณ์อยู่ในรูปร่างอยู่แล้วความเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นว่ารูปอย่างนี้มีขาอย่างนี้เราใช้ขาเป็นสมบัติ เราใช้แขนเป็นสมบัติใช้หูเป็นสมบัติใช้ตาเป็นสมบัติ <c oughs> อวัยวะทุกสัดส่วนนี่นะความสมมติเรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นตัวเป็นตเนตเป็นบุคคลหญิงชายจริงๆแล้วก็คือทำก้อนทำรูปพระธรรมนั่นละ่ะ ดวงจิตดวงใจนี่อาศัยความเป็นสมบัตินี่ <c oughs> สร้างความสุขความเจริญนำความสุขความเจริญเข้าสู่ทางจิตทางใจสิ่งใดที่มีในโลกนี้อาศัยตาเป็นเครื่องดูเครื่องมองเครื่องเห็นว่าสิ่งที่ดีมีอยู่ในโลกนี้มันมีอะไร นำสิ่งที่ดีจากการดูนั่นแหละเข้าถึง จ, จิตใจสิ่งที่ดีมีอยู่ในโลก น, นี้จากเสียงมันมีเรื่องอะไรเสียงต่างๆนั่นจะเอาเข้าทางตาผ่านทางตามันเป็นไปไม่ได้ต้องผ่านทางหูเหล่านี้เป็นต้น ดินก็ดีรถก็ดีมันมีทางเข้าเข้าถึงจิตถึงใจนั่นนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในโลกในรูป ก, ก็ดีดินก็ดีเสียงก็ดีรถก็ดีสัมผัสอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทางจิตใจมีอยู่ในโลกในขณะเดียวกัน <c oughs> ถ้าเผื่อไม่อยู่ในระเบียบไม่อยู่ในวินยัยสิ่งที่เห็นก็ดีสิ่งที่ได้ยินได้ฟังก็ดีสิ่งที่การกระทำก็ดีสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นผลตรงกันข้ามนำความไม่พอใจนำความทุกข์ให้ถึงจิตถึงใจ อันนี้แนวทางที่พวกเราจะเรียนรู้วาสินธธรรมนั่นจริงๆแล้วก็คือตัวของพวกเราทุกท่านทุกคนทั้งหญิงทั้งชายอันนี้แหละฝึกความเป็นธรรมทางจิตใจที่เนี่ย ทำทางจิตใจส่วนนี้ต้องการความสงบสุขต้องการความอบอุน่นต้องการความสุขความเจริญนี่จะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามจิตใจมันต้องการอย่างนี้ในขณะเดียวกันสิ่งที่จิตใจไม่ต้องการมันก็นมีอยู่คือความไม่ดีคือความเป็นทุกข์เกิดจากกัน การรมของเราและบุคคลอื่นไอ้ส่วนเหล่านี้มันก็เป็นธรรมประเภทอะธรรมคืออะกูสนละธรรมอันนี้ตั้งหาความเป็นศีลความเป็นธรรมไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ตัวที่ตนที่ดวงจิตดวงใจของบุคคลที่มีความสมมุติว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายตัวตนคนเรา แต่ธรรมส่วนนี้วินัยส่วนนี้ความเป็นศีลความเป็นธรรมที่มีอยู่ในตัวในตนนี่มันหายไปเพราะความสมมุติมากลืนหมดความสมมุติว่าเกิดขึ้นมาและ ว, ว่าตัวตัวเองเป็นคนเป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายความสมมุตินีมากลืนเรื่องศีลเรื่องธรรมหมด จัดันการมาศึกษาเราเรานี้แหละเราจึงจะแยกประเภทออกได้ว่าแท้เทจริงครับว่าศีลธรรมศีลธรรมเดิมบุญกุศลคือตัวของพวกเราทุกท่านทุกคนถ้าไม่ได้มาได้ยินได้ฟังได้ศึกษาความเป็นศีลเป็นธรรมอะไรอยู่ที่ไหนพวกเราก็จะถือว่าเราเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายความสมมติเกินหมดเกินศีลกินธรรมหมด ถ้าเรามาศึกษามาแยกดูเรื่องอย่างนี้ <c oughs> ทำส่วนที่เราต้องการที่นี่ถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่โดยเฉพาะแล้วความเป็นมนุษย์มนุษย์สมบัติเราต้องการความเป็นผู้มีความสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ในชีวิตความเป็นอยู่นั่นล่ะเกิดขึ้นมาแล้ว <c oughs> ที่มีความสมบูรณ์ในชีวิตก็คือเกิดขึ้นมาผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามไม่เป็นใบ้บ้าบอดวกไม่เสียวัยวะไม่เสียแข้งเสียขารูปอย่างนี้สีสันอย่างนี้วันหนอย่างนี้โดยเฉพาะแล้วบางคนนั่น ยังมีความเป็นพิเศษทางอายุก็ยืนนานทางฐานะสมบัติทรัพย์สินเงินทองก็เป็นผู้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีรูปพันธ์สันฐานก <c oughs> ็ดูได้ดูดีอยู่ในความสมบุติว่าเป็นคนสวยคนงามนี่ความเป็นพิเศษซึ่งเกิดจาก ความเป็นบุญคือความสมบูรณ์จากการกระทาแต่ละพบแต่ละชาติที่ผ่านมาท้งนี้ก็อาศัยจิตใจของเรานั่นแหละเป็นผู้มีความสมบูรณ์ยินดีในความเป็นบุญยินดีในความเป็นกุศลลาเวนจากความชั่ว รักษาจิตใจของเราให้มีกำลังอยู่ด้วยความดีที่จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลมีความสมบูรณ์ภายในจิตใจฉะนั้นจึงมีการมาฝึกความเป็นธรรมมาฝึกความเป็นศีลมาฝึกความเป็นธรรม นั่งฝึกนอนฝึกเดินฝึกเราฝึกอย่างนี้ในขนาดเดียวกันความเป็นศีลก็อยู่ในความเป็นวินัยเราบัโิตามการตามเวลาที่จะต้องทําความดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ละเว้นจากความชั่วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บังคับ บังคับการกระทาเราบังคับคำพูดของเราบังคับความคิดของเราให้อยู่ในขอบเขตคือความถูกต้องอันนั้นเรียกว่าวิในนอกจากเรามาบังคับเราให้อยู่ในขอบเขตความดีความถูกต้องการกระทานี้แล้ว ยิริยาส่วนที่เราทำนั้นมันเป็นระเบียบระเบียบคือสิ่งที่เราทำตามในสิ่งที่ถูกต้องนั่นฉะนั <c oughs> <c oughs> ้นขอบเขตการฝึกให้บุคคลมีความดีสมความปรารถนาทุกชาติชั้นวันนะ พระพุทธเจ้าจึงสอนแนวทางในการฝึกการอบรมการบังคับให้ตัวเองอยู่ในกรอบในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ถูกถ้าไม่งั้นแล้วปล่อยตามกระแสะความชั่วมันโลภมากับไปตามความโลภมันโกรธมากับไปตามความโกรธมันหลงมากับไปตามความหลง ตันหาอารมณ์เพศเกิดมากับไปตามความอยากโดยไม่มีขอบไม่มีเขต ด, ดูดีที่ไหนได้ที่ไหนดังนั้นการบังคับให้อยู่ในขอบเขตก็เพื่อให้หลีกจากกระแสความชั่วนั้นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ ทุกสิ่งอย่างเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์กระลุ้นแล้วแต่ถูกการตรันกองการบังคับให้อยู่ในขอบเขตทั้งนั้นมันจึงจะเป็นประโยชน์อยู่เฉยไม่ได้ทำตามเรื่องไม่ได้อยู่ตามเรื่องไปตามเรื่องไม่ได้ต้องมีขอบมีเขตมีการมีกฎมีเกณน บ, บังคับทั้งนั้น แต่อํนนานาจของจีเลตันหามันไม่ได้อยู่ในลักษณะนี้นะมันชอบตามอิสระชอบตามความชี้เจดชี้คันอิสระไม่เอาไหนเวลาอยู่ก็อยากจะอยู่เฉยๆเวลากินก็ต้องการกินก็อยากตามความกินตามเรื่องโดยเมื่อนึกถึงว่าการกระทํากลัวจะได้มาอาศัยมันเป็นยังไง นั่นอำ น, นาจของกิเลสอำ น, นาจของตัณหามันเป็นภัยกับจิตใจมันเป็นภัยกับชีวิตความเป็นอยู่ฉั <c oughs> นั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้จักกฎเกณฑ์ในสิ่งที่เป็นไปเพื่อความสงบสุขต้องมีการฝึกมีการเสริมมีการสร้างในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เรีกวธรรม ท่านจึงให้มีความอดความทนท่านไม่มีความพยายามภาคเพียรให้มีความเอาใจใส่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นการปลุกสติอยู่เสมอเป็นการปลุกปัญญาอยู่เสมอสร้างสรรค์คุณธรรมส่วนนี้ให้เป็นการเพิ่มเติมเสริมเสริมอะไรที่ไหนก็เสริมดวงจิตดวงใจของเรานั่นเดี๋ยวพอจิตใจของเรานี่เป็นทาตรู้ ถ้ารู้เฉยๆแล้วไม่มีคุณธรรมเป็นตัวเสริมตัวประกอบเครื่องเสริมเครื่องประกอบแล้วก็ใช้ไม่ได้อยาจิตใจนี่ก็เหมือนอย่างที่คนโง่เซอ่อเซคนบ้าคนอะไรนี่นับไม่ถึงห้าถึงสิบประเภทนั้นกับจิตใจก็รู้รู้อยู่แต่รู้ดีรู้ชั่วรู้เผ็ดรู้ถูกนันเขาไม่ได้คำนึงเขาไมในเ้ื่อถึง รู้เฉยๆดังการรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกอันนี้รู้อะไรควรรู้อะไรไม่ควรนี่อาศัยคุณธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมที่การสร้างสรรที่ฝึกที่ปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นอันนี้ตั้งหาก สติธรรมปัญญาธรรมที่เราฝึกที่เราปฏิบัติยกจิตใจขึ้นมาฝึกให้มีการรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ความผิดความถูกความดีความชั่วเป็นการเสริมคุ ณ, ณธรรมทางจิตใจให้จิตใจมีพลังงานส่วนนี้ให้มีความดีส่วนนี้ ถ้าเราไม่ฝึกถ้าเราไม่สร้างสารรค์แล้วคุณธรรมส่วนนี้มันจะเกิดเองไม่ได้มันจะเป็นเองไม่ได้ฉะนั้นการฝึกการปฏิบัติตามธรรมชาติอันนี้อย่างในขณะนี้เราฝึกความเป็นธรรมชาติเป็นเครื่องวัดกําลังใจความเย็นความหนาว มันก็เป็นความเป็นธรรมชาติเราจะใช้ความอดใช้ความทนใช้ความพยายามภาคเพียรของเรานั่งสมาธิทําความสงบนั่งสมาธิฟังข้อปฏิบัติแต่และอย่างแต่และอย่างเหล่านี้ก็เป็นการบรรจุเติมเพิ่มความดีของเรา เรานั่งสมาธิเพื่อความสงบจิตสงบใจอาศัย <c oughs> พลังงานของเราคือสิ่งที่เราจะเพิ่มเติมเสริมให้มากขึ้นมากขึ้นก็คือสติความระลึกระลึกแล้วตั้งตั้งให้มีความมั่นภายในจิตใจ ตั้งสติสติคือเครื่องละลึกมีสติเครื่องละลึกอยู่ละลึกว่าในขณนะนี้เรากำลังทำอะไรเรานั่งโย่ก็รู้ว่าเรานั่งอยู่ละลึกถึงดวงจิตดวงใจของเรา ดวงจิตดวงใจของเราในขณะ น, น, นี้พระพุทธเจ้าสอนหรือกาลังอบรมอยู่ในขณะ น, น, นี้ท่านอบรมให้ดวงจิตดวงใจอยู่ในลักษณะไหน การอบรมดวงจิตดวงใจในขนาะนี้อบรมดวงจิตดวงใจให้อยู่ในระบบของความเป็นศินเป็นธรรมศินคือความปกติศินคือความเยือกความเย็นศินคือความเรียบร้อยศินคือความดี เราตั้งสติมั่นดูดวงจิตดวงใจของเราให้จิตใจของเรามีความปกติดีเข้าสู่ความเป็นปกติดีสดชื่นลื่นเลิงถ้าจิตใจดีจิตใจงามแล้วมันจะแฝงด้วยคุณธรรมคือความสดชื่นคือความลื่นเลิงภายในจิตใจลื่นเลิงกับความดีของเรานั่นละ่ะ ไม่ใช่เลื่นเลงกับรูปเสียงจินรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มันเป็นเหยื่อของจิเลสันหานะไม่ใช่เลื่นเลงอยู่ในความสงบเลื่นเลงอยู่ในความปกติลื่นเลงอยู่ความดีของเราที่มีเตติเป็นเครื่องฝึกที่มีเตติเป็นเครื่องแล้วเลือกเครื่องยับยั้งคุณลักษณะของธรรม ที่มีในใจมันเป็นอย่างนั้นแต่คุณลักษณะของกิเลสมันจะไม่เป็นอย่างนั้นงุดยีดฟุ้งซ่านลำคาญเป็นทุกข์บุ่นวายเดือดร้อนอันนั้นคุณเครื่องของกิเลสคุณเครื่องของตัณหาแต่นี้เรามาเรียนรู้แล้วว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เรามาฝึก ฝึกความเป็นธรรมฝึกความเป็นศรรีลฝึกความเป็นธรรมโดยเฉพาะสมาธิธรรมสมาธิคือความหนักแน่นของจิตใจสมาธิคือความสงบของจิตใจจิตใจที่มีความสงบกับพ่อมีศีล น, นี้เป็นพื้นฐาน น, นี่เป็นเบื้องต้นของสมาธิกฎหมายของความปกติของจิตใจจิตใจมีความปกติเป็นพื้นฐานแล้วจะเกิดความหนักแน่นของจิตใจความหนักแน่นความไม่วันไหวของจิตใจความตั้งมั่นของจิตใจอันนั้นแหละท่านเรียกว่าสมาธิพอมันสงบจากอารมณ์สัญญาฟุ้งซ่านลำคาญ จิตใจมีความตั้งมั่นจิตใจมีความหนักแน่นจิตใจมีความสงบสงบจากอารมณ์สัญญานั้นมีความนิ่งใสยเย็นอกเย็นใจอยู่เตือนอยู่รู้อยู่พอจิตใจนี่เป็นท่ารู้อยู่แล้วแต่ท้ารู้ดีมีกำลังอาศัยกำลังเป็นเครื่องรองรับ ก็คือสตินั้นเป็นกำลังรู้ดีรู้ชั่วก็อาศัยปัญญาของเรากำลังปัญญาของเรานั่นแหละเป็นเครื่องแยกแยะความดีความชั่วความผิดความถูกกำลังอาศัยสติของเรากำลังอาศัยสมาธิความหนักแน่นความตั้งมั่นของเราอย่าให้มันหวั่นไหว เราฝึกอันนี้ตังหากเราทำอันนี้ตังหากเราบำรงอันนี้ตังหากเพราะบำรงอันนี้เป็นการบำรงธรรมบำรงศีลบำรุงธรรมถ้าจะว่าเป็นบุญความเป็นบุญเป็นกุศล <c oughs> มันก็เป็นบุญเป็นกุศลคำว่าบุญคำนี้คือหมายความว่าความสมบูรณ์ของจิตใจ ความดีมีในใจความสุขมีในใจก็ได้ชื่อว่าบุญบุญชื่อว่าความสุขบุญชื่อว่าความดีของใจนั่นแหละถ้าใจไม่มีความดีไม่มีความสงบสุขไม่มีความสบายก็เรียกว่าบุญไม่ได้เรียกว่ากุศลไม่ได้กุศลคือความฉลาดของจิตใจนั่นละ่ะ จิตใจมาเรียนรู้อย่างนี้มาเข้าใจอย่างนี้ก็กลายเป็นจิตใจที่มีความฉลาดฉลาดด้วยสติฉลาดด้วยปัญญามีความรู้อันนี้ระงับความชั่วภายในจิตใจของเราความชั่วอื่นอะไรไม่เป็นพิษเป็นภัยมากเท่าความชั่วของโมหะความหลงโทสะความโกรธโลภะความโลภตัณหาที่ไม่มีในขอบเขต นี่ความชั่วประเภทประเภทนี้เลวร้วายมากลุนแรงมากแผดเผามากฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งเหล่านี้ <c oughs> เป็นสิ่งที่ควรกันพระมันทำลายจิตใจของมนุษย์สัตว์ทั้งหลาย ทำลายจิตใจของพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติสินประทำเห็นคุณค่าความดีของสินของสมาธิอย่างนี้เห็นโทษเห็นโทษของกิเลสตัณหาที่มันมีอยู่ในดวงจิตหลแล้วฝึกในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ บ, บังคับจิตใจของเราสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ ส่วนความเป็นธรรมชาตินอกนั้นที่จิตใจอาศัยอยู่คือรูปคือร่างคือท่าคือขันนี้เรากันในขนาดเดียวกันแล้วก็เรียนรู้ว่ารูปร่างอันนี้ <c oughs> มันเป็นเพียงแช่ <c oughs> เครื่องอาศัยของจิตใจ ที่ปรุงแต่งด้วยประจัยสีเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะแม้ปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงมากี่ปีกี่ปีกี่ีความเปลี่ยนแปลงอันนี้คือความไม่เที่ยงของรูปของร่างความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายว้นแลแต่มันเป็นภัยในความเป็นอยู่แบบธรรมชาติของรูปของร่างอันนี้ ไม่อยากจะให้มันแฉะเราจะไปอยู่ที่ไหนเอาอะไรมาบำรุงมัน่นไม่มีอะไรจะแก้ไขได้ความแฉะมีแล้วมันความเจ็บมันก็ต้องมีถึงที่สุดก็คือความแตกสลายคือความตายของรูปของร่างอันนี้นี่คือความเป็นธรรมชาติให้เรียนรู้เอาไว้อย่าไปฝืนมัน่น พระพุทธเจ้าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นภัยกัจิตใจของพวกเราที่เรายังหลงอยู่ัะเรียนรู้จะไปฝืนมันในขณะเดียวกันจิตใจของเรานี่มันเป็นสิ่งที่แก่ไม่เป็นเป็นสิ่งที่สลายไม่เป็นเป็นสิ่งที่ตายไม่เป็น ควรบำรุงจิตใจของเรารักษาจิตใจของเราเพิ่มเติมเสริมความดีให้จิตใจของเราด้วยศีลด้วยธรรมนี่เป็นประโยชน์กว่าถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ส่วนมากแล้วจะไปส่งเสริมแต่แต่รูปแต่ร่างหาเครื่องอุปโภคบริโภคหาอยู่หาจินจนถึงวันตายมันก็เพียงแช่นั่น มันไม่เลยไปที่อื่นแต่จิตใจทันทีคุนเครื่องบ้ า, ท, ท, าที่มีผลสนตังค์ไปศึกษาอันนี้มันขาดทุนศูนย์กไรทางจิตทางใจแล้วมันแยกกันรู้เรื่องรู้เราถ้าฝึท่าศึกษาถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ฝึกแล้วมันแยกกันไม่ออก เมื่อแยกกันไม่ออกไม่รู้เรื่องแล้วถึงข่าวแยกจริงๆแล้วขาวพัดขาา่ขาวภาคข่าวจากจริงๆแล้วนะมันจะเป็นทุกข์เหมือนพวกเราที่รู้ๆกันอยู่นั่นแหละฉะนั้นสิ่งที่จิตใจอาศัยอยู่พระพุทธเจ้าสอนไม่มีความประมาทไม่มีความประมาทในชีวิตควรมเป็นอยู่ให้เรียนรู้ว่าออเกิดขึ้นมา ในถ้มกลางของความไม่เที่ยงมีรูปมีร่างแล้วก็มีการเปลี่ยนไปแจ่ไปทุกเท่าไปทุกวันทุกเดือนทุกปีแล้วแต่จิตใจเป็นของที่แจ่ไม่เป็นเป็นของที่สลายเป็นของที่ตายไม่เป็นบำรุงด้วยศีลด้วยธรรมนี่ให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลกับจิตจะนั้นการมาฝึกการมาปฏิบัติมุ่งเอาประเด็นนี้ตั้งหา ฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีกําลังความดีสมกับว่าจิตใจดวงนี้มันแฉ่ไม่เป็นตายไม่เป็นสลายไม่เป็นควนเยาสิ่งที่เป็นออประโยชน์สร้างสรรค์จิตใจของเราคือศีลธรรมศีล ส, สมาธิปัญญา น, นี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สุดนํำดวงจิตดวงใจของเราให้เข้าสู่ฐานะความเป็นประโยชน์สูงสุด ประโยชน์ในพบนี้ชาตินี้ก็คือความเป็นมนุษย์ประโยชน์ข้างหน้าประโยชน์ยามยิ่งก็คือมรรคผลนิพานจึงสร้างประโยชน์ด้วยศีลด้วยธรรมเดยวด้วยบุญด้วยกุศลอันนี้อันนี้ความหมายด้วยการมาฝึกการมาปฏิบัติการมาได้ยินได้ฟังการศึกษาเพื่อให้เข้าใจว่าจิตใจของเรา <c oughs> อันนี้มีความจำเป็นอย่างไงกับศีลและธรรมศีลและธรรมอันนี้พระพุทธเจ้าเทศนาไว้แท้ที่จริงแล้วก็คือแบบแปนแผนผังชีริตความเป็นอยู่ของเราเพื่อให้เกิดความสงบสุขเราก็ต้องอยู่ในกรอบเขตของความเป็นศีลเป็นรรมนี่ถ้าไม่งั้นแล้วมันจะอิสระเสรีภาพไปตามกระแสของกิเลสตันหาวุ่นวายมากทีเดียว เดือนร้อนมากเป็นทุกข์มากทีเดียวเพราะจิเลตันหาไม่มีขอบไม่มีเฉตอิสระมมันไม่ได้ตามใจมันไม่ได้ตามใจความหลงยิ่งหลงไปมากตามใจความโกรธยิ่งโกรธไปมากมันไม่มีทางดีจดได้เลย พระพุทธเจ้าจึงให้มีการเลือกเฟ้นบังคับจิตใจของเราออกจากความหลงออกจากความโลภออกจากก <c oughs> ิเลสตัณหาสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยให้ยินดีพอใจอยู่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์คือดวงจิตดวงใจนี่เป็นของที่ล้ำค่าเป็นของที่ประเสริฐสุดแล้วให้เอาศีลเอาธรรมนี่เป็นเครื่องประดับเอาศีลเอาธรรมนี่ เป็นสมบัติทางจิตใจนั้นดวงจิตดวงใจให้เข้าสู่ความสงบสุขเพื่อควาเจริญในความเป็นสมบัติรูปสมบัติเป็นสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นบุญต่อไปพบหน้าชาติหน้ากับ ส, สวรรค์สมบัติเป็นเ ท, ท, เทวดา <c oughs> สมบัติอย่างยิ่งก็คือมรรคผลนิพพานอันนี้ทางดีอันนี้ทางไปการฝึกการปฏิบัติของพวกเรา ในการมาสร้างสรรค์ฝึกกําลังจิตกําลังใจด้วยการฝึกด้วยการปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีลของธรรมมันนี่ฝึกไปสร้างไปฝึกไปทําไปล้วนแล้วจะเป็นการสร้างกําลังใจของเราให้เพิ่มเติมเสริมก็สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างที่ว่านั่นแหละผ่านเข้าใจ <c oughs>